ว่าเออวันพรนี้จะอ่านจดหมายอาจารย์โมสรัตจันทสกุลปณเกวิสัญญีราพอศิริราชกรุงเทพท่านว่าได้รับจดหมายจากหลวงพ่อแล้วผมไล้เก็บไว้เป็นจดหมายประวัติศาสตร์ว่างั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาเวลาหลวงพ่อจะจับพ่อเขจะกลัวมันจะขาดว่างั้นแหละ วันที่หนึ่งเมษายน25งพยยีตั้งแต่อํเาเภอนายูงเป็นอํเาเภอน้ำโสมอยู่นะยังไม่ขึ้นเป็นอํเาเภอเดี๋ยวเราจะให้ท่านรัตนะเป็นคนอ่านให้พวกเราฟังหลวงพ่อเขียนจดหมายไปถึงอาจารย์หมอตั้งแต่อาจารย์หมอ ย, ยังไม่แต่งงานนะอาจารย์หมอแต่งงานแล้วในลูกได้เป็นด็อกเตอร์เลยจะไปเรียนด็อกเตอร์ปริญญาเอกอยู่ที่ญี่ปุ่นลูกสาวทั้งสองคนก็นเป็นหมอทั้งคู่ นะจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายประวัติศาสตร์นมนานทีเดียวแต่หลวงพ่อเอามาอ่านดูแล้วก็เออก็เป็นอย่างที่ว่าน่คือลิเริ่มสร้างวัดนี้นะ่ะเนียจะว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวัดนี้ก็น่าจะใช่พราหลวงพ่อมาอยู่ที่แรกมาจับที่ดินตรงนี้ได้สองร้อยกว่าไร่สมัยนั้นสมัยนั้นก็มาอยู่ที่นั่นนะ ที่โรงครัวในข้างๆโรงครัวสมัยนั้นไม่มีโรงครัวแต่แทนนี่เป็นป่าลงทั้งหมดลงพ่อไปอยู่ที่ต้นไม้สะท้อนอยู่ข้างโรงครัวเนอในริมคลองนั่นแหละกวาดใบไม้แล้วก็เอาไม้ใบมาแล้วก็เอาเสือปูจากแล้วก็ปักกดกลัวที่สุดก็คือกลัวแมลงปองกับตะขาบกับงูแมลงปองกลัวมันจะเข้ามุดเข้ามาม้งกัดตอนนั้นเออ เวลาจะนอนเนี่ยต้องเอาโมเมนต์เขาเนี่เสือสะกดมาเงื่อนเถะนอนก็พยายามนอนไม่เต็มเสือกับเสือไม่ใช่เสือยาวอีกแต่งหากเสือสั้นเลยต้องนอนกดๆสักหน่อยเพื่อไม่ให้หัวมันโผล่ไปได้ยินแต่หลวงตามหาบัวท่านพูดถึงหลวงปู่ชิมหลวงปู่จา ม, มท่านพูดถึงหลวงปู่ชิมท่านไปนอนอในปักกดนอนงืน่อน พอนอนเสร็จแล้วก็เนี่ยขาของท่านก็นไปไปดูนกับมุ้งน่ะทางนี้ทงทงนี้หัวทางนี้ตีนดันไอเสือตะกดูดเสือดำาน่ะมันหากินหมาได้ใช่ไหมถ้ามันเห็นคนมันจะต้องต้อ ง, อ ง, องมองมอ ง, มองถ้าเห็นพวกนายพรานไปต้องมีหมาไปด้วยนเนหมาไปนอนอยู่ในกองไฟเสือจะได้โดดตะกกป๊อ อตบหมาแล้วงั้นเอาหมาไปกินตอนนี้มันเห็นพระนอนมันก็คิดว่าจะมีหมามาด้วยใชนไหมล่ะมันก็้อมรอมมองมองรอมรอมมาก็มาเห็นไอ้เท้าห ล, นะลวงปู่นะเท้าหลวงปู่ไอ้มันโดนมุ้วงเนี่ยนะมันก็ตีนหุ่นุ่นยักหยุ่นหยมันก็ว่าหมาใช่ไหมล่ะเสือมันกระโดดตะคุบมุ้งหลวงปู่ ดังที่มันคุบทางหัวเหมือนกันท่านคบทางหัวนะอาจจะไปถูกตาถูกอะไรก็ไม่รู้นี่ยคบทางตีนเหมือนกันท่านก็ร้องอ๋อมันอะไรว่าเสือกับกระโดดเพ่นเพราะเสือเหมือนกันเลยเสือมันกลัวคนเหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นเลยหลวงพ่อมานอนอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็นึกกลัวๆเหมือนกันเน่ยกลัวเสือจะตบหัวเหมือนกันเหมือนกันเลยถามว่าตู้ๆมีเสืออีกบ่แต่มีอยู่เสือตะกูเสือเหลืองนี่ยพอมีอยู่แต่เสือใหญ่ไม่มีอยู่ หมีก็พอมีอยู่แต่กวางหมดไปแล้วเก้งยังมีอยู่หมูป่าเยอะเหาือนกนสมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายประวัติศาสตร์เเดี๋ดยวจะให้ท่านรัตนะอ่าในพวกเราฟังหนซิว่ามันเป็นจดหมายยังไงที่พับชั่วคราวอำเภอนามโสมจังหวัดอุดรธานีหนึ่งเมษายนสองพันรอยี่สิบสามเรียนคุณหมอทราบ เมื่อคุณหมอได้รับจดหมายฉบับนี้คงแปลกใจแต่ก่อนไม่เคยได้รับจดหมายจากท่านอินเลยก็จริงอย่างนั้นนานๆก็จะได้เขียนทีหนึ่งคราวนี้เนื่องจากเมื่อวันที่19เดือนมีนาคมนี้อัตมาได้ออกจากป่าคร่าวกาบท่านอาจารย์ใหญ่วัดบ่ามันตาดแล้วกลับป่าในวันนั้นถึงที่พักห้าทุ่มเศษเศษไกลพอดู เมื่อเข้าไปวัดบาบนตาได้พบกับคุณหมอณฐากลวิริยานุภาคพร้อมกับพระนวกาที่คุณหมอฝากไปจากกทอมอาตมาได้พูดสนทนากันเล็กน้อยกับหมอณฐากรและพระใหม่เพราะมีเวลาน้อยได้ถามข่าวถึงคุณหมอเช่นกันเพราะอยู่ในเครือเดียวกันเห็นคนหนึ่งไม่เห็นคนหนึ่งก็ต้องถามหาเป็นธรรมดา คนที่รักชอบพอกันคุณหมอนัฐากรบอกว่าคุณหมอสุรัตน์สบายดีคุณหมอก็ได้แต่งงานแล้วคุณหมอนัฐากรบอกว่าคุณหมอสุรัตน์ให้ผมถามครูบาว่าครูบาต้องการอะไรในสมณบริโภคได้อาตมาบอกว่าขอบคุณมากขอให้เรียนคุณหมอด้วยนะว่าอาตมายังไม่มีอะไรขัดตกบกพร่องในสมณบริขารคราวต่อไป ถ้าขาดตกบกพร่องก็จะเรียนให้ทราบเพราะที่อยู่ของคุณหมอก็ได้เขียนเอาไว้แล้วในปีนี้อาตมาได้ออกทูดงแต่วันที่ยี่สบเก้าตุลาคมสองพรอยสิบสองได้ขึ้นไปทางอำเภอบ้านผือเดินต่อไปอำเภอนามโสมแถวนั้นเป็นป่าดงมากภูเขาก็มากอาตมาไปแถบนั้นครั้งแรกปีสองพันรอยสิบเจ็ดในปีนี้ก็ได้ไปอีก แต่ปีนี้รู้สึกคนตัดป่ากันมากป่าดงที่ให้ความร่มเย็นแต่ก่อนกลับให้ความร้อนเพราะไม่มีร่มไม้จะอาศัยเขาทำเป็นไร่ข้าวโพดมันสัมปะหลังเกือบหมดทั้งป่าอาตมาเดินไปได้หลายหมู่บ้านก็เจอแต่คนทำลายป่าธรรมชาติก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าหากเราไม่สงวนป่าเอาไว้สักแห่งต่อไปไม่นาน ลูกหลานภายหน้าจะไม่เห็นป่าธรรมชาติแถบนี้แน่ๆชาวบ้านก็ต้องการวัดป่าอัตมาก็ต้องการสงวนป่าชาวบ้านก็หาที่ให้ใครจากบ้าน48เส้นเป็นป่าดงธรรมชาติดีใกล้คลองแต่ก่อนน้ำคลองนี้ไหลรินตลอดปีแต่ปีนี้ขาดน้ำจะเป็นเพราะคนทำลายป่าหรือเป็นเพราะฝนทิ้งช่วงนานก็สุดจะเดา สัตว์ในบริเวณวัดยังมีพวกเก้งหมปงงูป่าชนีลิงข้างไก่ป่าวันไหนวันดีคืนดีชนียังร้องให้ฟังที่ดินที่สงวนไวน้นี้อาตมาให้ที่ดินอำเภอบ้านผือรังวัดดูที่ดินอำเภอบ้านผือบอกว่ามีสองร้อยสามสบสองไร่สองงานแปดสิบตรังว่าคิดว่าจะรักษาสงวนป่าเอาไว เพื่อรูกหลานจะได้ดูป่าธรรมชาติบ้างในภายหน้าคุณหมออาจจะคิดว่าท่านอินคงคิดเป็นสมผานแน่ยังน่าคุณหมอเป็นเพียงแต่รักสงวนป่าเอาไว้เท่านั้นความรู้ความสามารถของอาตมายังไม่พร้อมที่จะปกครองเพราะปกครองตนเองก็ยังไม่ได้ถือปกครองคนอื่นต้องพังกันเป็นหมู่เหมือนตาบอดจุงกันไม่ผิดแน่แน สถานที่แห่งนั้นสงบสงัดดีมากเหมาะแก่การบำเพ็ญของนักพรตแต่ปัจจัยสี่นั้นแย่ผู้ที่จะอยู่ในสถานที่นั้นต้องใช้ขันติเราอยู่แบบพระใช้แบบพระฉันแบบพระไปมาแบบพระก็ไม่มีอะไรมากถ้าจะพูดแบบชาวโลกสถานที่แห่งนั้นคงจะจัดเป็นบางขวางพระลาดยาวสำหรับดัดสันดานพระ ถ้าพระองค์ไหนไม่อยากเข้าตารางแล้วอย่าไปแต่อัตมาเป็นพระเดนตายอยู่ไหนอยู่ได้ขอให้อยู่ป่าที่สงบสงัดก็แล้วกันแต่อยู่ย่านชุมนุมชนอยู่ในเมืองในกรุงไม่ไหวแน่ๆที่สุดนี้ก็ไม่มีอะไรจะเรียนอีกพร้อมนี้ได้ส่งเมตตาจิตและความปรารถนาดีมาถึงคุณหมอและคุณหมอผู้หญิงจงประสบจตุพรทั้งสี่ ปรารถนาสิ่งใดในขอบเขตของธรรมขอความปรารถนานั้นจงสมประสงค์ทุกประการเทิดด้วยความเมตตาและคิดถึงเสมออินสันตุสโกภิขุปได้รับจดหมายแล้วไม่ต้องคิดตอบเพราะระยะนี้อาตมามีธุระออกไปเยี่ยมโยมไม่ได้อยู่ถ้ากลับแล้วจะเรียนคุณหมออีกฉบับหน้าในเป็นจดหมายฉบับ แปลว่าเป็นประวัติศาสตร์พูดเกี่ยวกับวัดป่านาคําน้อยยังสมัยอยู่ยังอยู่สองร้อยไร่นะจดหมายฉบับนี้แล้วก็ก็ยังบอกว่าคุณหมอบอกว่าคงหมอคงจะแปลกใจพอได้รับจดหมายคูบาจดหมายยังเป็นคูบาและยังเป็นกูบันเป็นคูบาพวกอาจารย์หมอในเรียวคูบาทั้งหมดนแต่ทุกวันพวกเราเรียกหลวงพ่อแล้วนะ บางคนเพืเพือยังเรียกหลงปู่ต่างหากแกแต่สมัยก่อนก็เรียกครูบาครูบาเนี่ยยังน้อยอยู่อายุพรรษายัางน้อยจะไปเรียกลงพ่อจะเรียกลงพี่ลงอายังไงก็ยังไงเรียกครูบาโดยมากรรมฐานก็เรียกครูบาอินต่อมากปพอมีอายุพรรษาขึ้นมาก็เรียกอาจารย์อินพอใจขึ้นมาอีกหน่อยก็เรียกหลงพ่ออินจะเนี้คนกําลังเรียกลงพ่ออินอยนี่ อต่อไปเขาคงคงจะเรียกหลวงปู่หลวงตาอิ น, นะอะไรนี้เรียงลาดับขึ้นไปเรื่อยๆหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ตอบจดหมายขนาะจดหมายฉบับบางทีได้เขียนลงไปทางกรุงเทพญาติโยมที่่รู้จักมักคุ้นอย่างอาจารย์หมอเนี่ยนะก็มีที่มาบ้านตาจากนั้นหลวงพ่อก็เขียนจดหมายลงไปเออหลวงพ่ออยู่นั้นอยู่นี่นาเป็น ไ, ปไงสบายดีถามข่าวพาวลลักษณะน่ะ แต่หลวงพ่อบางทีก็ให้แนวความคิดให้แนวธรรมะให้แนวความคิดบ้างในจดหมายทันี้คณะัาตาญาติโยมได้รับจดหมายหลวงพ่อทีนี้าเาก็ไปอวดอ้างหลวงตาทีนี้เขาก็ถือว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพ่อของหลวงพ่อใช่ไหมล่ะเขาก็ไปอ้างว่าโอ้ได้รับจดหมายหลวงพ่ออินโอ้ท่านเขียนดีท่านมาแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้ตามภาษาคนที่ รู้จักมักคุนรักชอบใช่ไหมลนะ่ะแต่หลวงตาไม่ว่าอย่างนั้นทีแล้วทีนี้อหลวงตาท่านได้ฟังท่านก็เฉ ย, ยพอมาเห็นหลวงพ่อจะว่าทําอินหลวงตาบอกนะจดหมายของท่านนะ่ะมันเกิดกรุงเทพแล้วนะ เ, เราก็ไม่ได้ค่อยแต่เขียนจดหมายนั่นนะจะได้เขียนทีหนึ่งเขียนกันรู้จักคนรู้จักมักคุค้นกันเนะี่ยแหละก็เขียนไปหา อก็นานๆระหว่านานมากจดหมายเราไม่ได้ค่อยเขียนแต่ละเดือนหนึ่งก็เลยไม่ได้ค่อยเขียนถึงใครนะแต่หลวงตาท่านเตือนอย่างงั้นเราก็เออคนคงจะได้รับจดหมายอย่างอาจารย์หมอได้รับอย่างนี้นะคงจะมาพูดให้หลวงตาฟังอหลวงตาก็เลยเวมรเราอีกทีนี่งท่านบอกว่าทําอินจดหมายทำอินนี่ยมันเกินกรุงเทพแล้วนะ หลวงพ่อก็จะดุ่งโหยงเลยตั้งแต่บัตรนั้นมาน่ะหลวงพ่อก็เลยไม่เขียนจดหมายบัตรเนี่ยใครเขียนจดหมายมาอาวุ่าไปตอบไปกระทั่งทุกวันนี้น่ะถามที่นี่ว่าใครบ้างได้รับจดหมายหลวงพ่อเนี่ยหายากนะที่นี่เอพราะเหตุใดพราหลวงตาท่านเตือนจากคราวนั้นละ่ะหลวงตาท่านเตือนหลวงพ่อจากคราวนั้น่ออท่านว่าจดหมายจดหมายทําอีนมันเกินกรุงเทพแล้ว น, นะน่ะ ก็เลยเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนหลวงพ่อเหมือนกันที่นเออการเขียนจดหมายก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกันน้นั่นแหละอันนี้หลยคือหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ค่อยเขียนจดหมายถึงคณะทศไทยญาติโยมอแต่บางคนเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะหลวงพ่อตอบจดหมายด้วยเพื่อจะได้เป็นอะไร ใครเข้าว่าเป็นที่ล้ำลึกทีหลวงพ่อได้ตอบจดห ม, มายมาจะเขียนมากน้อยกับสุดแทพแต่หลวงพ่อจะเขียนมาหลวงพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยตอบอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าคำนั้นมันยังมันยังกระเทือนอยู่ในในใจหลวงพ่ออยู่ันเอที่ลงตาสั่งเนี่ยนะเพระาะทางคณะชาทาญาติโยมผู้ใดก็ตามนะที่เขียนจดหมายและส่งของมาเนะ่ะมาให้หลวงพ่อนะ ถ้าหลวงพ่อไม่ตอบไม่ต้องแปลกใจสรุปแล้วอย่าไปแปลกใจเพราะว่าหลวงพ่อได้รับคําเตือนจากองค์หลวงตาเพราะหลวงพ่อเนี่ยเคารพในองค์หลวงตาท่านคงมองเห็นอะไรบ้างท่านจะได้เตือนเราเพราะฉนั้นหลวงพ่อก็เลยหยุดหยุดตอบจดหมายถามพวกกูบานี่ก็ได้ที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเอหลวงพ่อเนี่ยเล่นทางจดหมายไหมไม่เออ ได้เขียนจดหมายบ่อยไหมไม่แต่นานจํานเป็นจริงจริงจึงเขียนเป็นฉบับแต่บางทีได้เขียนก็เขียนยาวเหมือนกันนะต้องต้องอธิบายบางทีมันมีเรื่องราวอะไรจะต้องได้พูดกันก็ได้อธิบายเป็นหลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะแต่เอกสารมันมีนะบางครั้งต้องแถลงเป็นเอกสารอย่างนี้ก็มีถ้าพูดเป็นภาษาอย่างนี้มันอยู่ในเทปมั้งก่อ มันกดในเอ็มพมันก็ยังไงอยู่บางทีก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นถแถลงการหรือว่าบอกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารสําหรับยืนยันอย่างนั้นก็มีนะพรา ก, การพูดหรือาการบอกกล่าวเนี่ยมันมีหลายวิธีเหมือนกันนะบางคนก็พอสายเสร็จแล้วก็ยังถ่ายเอกสาร ไปถ่ายเอกสารเอาไว้อีกเพื่อยืนยันว่าที่พูดอย่างนี้จริงอย่างนี้ก็มีนะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นตั้งโลกทุกวันนี้ไม่เหมือนตะก่อนตะกอนพูดอะไรตะครับผมแล้วก็จบกันไปนะแปลว่าเชื่อถือกันอย่างคนตะก่อนคนจีนพ้ทะเลมาอยู่เมืองไทยทํามาค้าขายเอาแก้วชาชนกันเลยก็ไปว่าเรื่องนี้จบเพียงแค่นี้นะแปลว่าเข้าใจกันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ มีสัจจะคนมีสัจจะต่อกันเพอจะดื่มน้ำชาเลยทุเรีนี่อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเอาน้ำแก้วชาชนกันแปลว่าจบแปลว่าเรื่องเรื่องนี้แปลว่าเอาอยัางอย่างที่พูดที่นะจากนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นแต่ยุคสมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นต้องถ่ายเอกสารเอาไว้อีกต้องบอกเอาไว้อีกชัดเจนนะ วันนี้เป็นวันที่26มกราคมพุทธศักราช2555วันนี้หลวงพ่อจะได้ไปไประชุมอยู่ที่โรงพยาบาลสูรอุดรเกี่ยวกับตึกหนีไฟแล้วก็จ่ายไปทวมดก่อนนะจ่ายไปเมื่อ 2-3 อมอิถกร่อนจ่ายไปเกี่ยวกับ เมื่ออุปกรณ์เข้ามาพร้อมแล้วก็จ่ายตามสัญญาเช่น จ, จ่ายไปห้าล้านนะเพราะตึกหลังนี้มันเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดสิบแปดล้านจ่ายไปแล้วห้าล้านวันนี้ก็คิดว่าเข้าไปไประชุมอีกจะจ่ายงวดที่หนึ่งเด็เรื่องงวดที่หนึ่งเขาเทฐานเกือบจบแล้วงวดที่หนึ่งก็นี่แหละประมาณหกล้านกว่าวันนี้จะได้ไปไประชุมกันกับพออกับ โยมผู้เกี่ยวข้องผู้รับเหมาแล้วก็ผู้ว่าจ้างแต่หลวงพ่อเนี่เป็นประธานฝ่ายสงหาทุนหาทุนเพื่อสร้างตึกหนีไฟแลวก็ที่จอดรถของโรงพยาบาลศูนย์อุดรวนมันนี้จะได้เข้าไปประชุมโรงพยาบาลก็เหมือนกับอู่รถอย่างนั้นรถที่จะซื้อมาราคาแพงขนาดไหนก็ต้องมีอู่รถราคาบีเอมเบนท์ ต้องมีอู่คนเราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็ต้องมีอู่เหมือนกันอู่ก็คือโรงพยาบาลคือโรงซ่อมบางที่ก็ซ่อมฟันบ้างซ่อมตาบ้างซ่อมหูซ่อมจมูกซ่อมไปมดุดถ้ามันชำรุดนะนี่ก็หลวงพ่อจะได้เข้าไปร่วมที่โรงตาตึกสร้างตึกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็คิดวา่าน่าจะใช้งาน เ, เร็วนี่แหละตึกโรงตานะ ที่สร้างขึ้นมาที่จ่ายไปประมาณ280กว่าล้านสูงสิบชั้นเกือบ300อเตียงะเกือบจะจบแล้วละ่ะทาสูงทาสีอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วละ่ะข้างในกำลังตกแต่งกันอยู่แต่หลวงพ่อผมไม่ได้เข้าไปดูหรอกมีแต่คณะกรรมการพวกญาติโยมพวกน้องๆลุง ๆ, ๆเขาช่วย่วยกันดูแต่คิดว่าน่าจะจบมานานแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับช่าง ก็ทําไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นที่พอใจเพราะตึกลงตาเนี่ยใครๆก็เมื่อทําลงไปแล้วต้องทําให้ดีที่สดุดอ่าเหมาะสมที่สดุดเพราะว่าจะตุปปัจจัยของท่านก็หาไว้ให้ตั้งห้าร้อยล้านะนะแต่กงเหลือเหลือก็คงจะทําประโยชน์อย่างอื่นอันนี้ก็คือต้องได้ซ่อมอย่างหลวงพ่อเหมือนกันเดี๋ยวนี้กาลังซ่อมเหมือนกันนะ แต่ตามไม่จริงถ้าไม่ใช่ไปโรงพยาบาลหลวงพ่อไม่ไปนัวันนี้แต่จะต้องขอพักผ่อนตั้งแต่ไปงานของหลวงปู่มั่นวันคขบครอบวันเกิดที่บ้านหลวงปู่มั่นบ้านคำบงอําเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลพอกลับขึ้นมาก็เลยเป็นหวัดได้แต่นี่พอไปโดนฝนผ่านฝนโดนฝนกลับขึ้นมาก็เลยเป็นหวัดเกรกีนอนมาตั้งแต่ วันที่ยนะี่สิบสามย่สิบสองยิบสามมาถึงวันนี้นะนี่แหละอันนี้ก็คือทั้งคุณหมอทั้งหมอนายูงหมอไก่หมอแารม็อกทั้งหมอ อ, อหมอกลางวานแล้วเข้ามาดูดูเรื่องหมอก็เป็นบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อเหมือนกันนะพอหลวงพ่อช่วยหมอนะช่วยโรงพยาบาลหมอก็ได้มาช่วยหลวงพ่อเหมือนกันเวลาหลวงพ่อไม่สบายก็หมอเข้ามา ต่วหลวงพ่อก็เออเอาบอกตามที่มันเกิดมันมีแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าหลวงพ่อเป็นพระกรรมฐานพระป่าถึงยังไงเมื่อไงมึนก่อนน่ะพิจรารณาไว้อยู่เสมอแล้วมรณงเมพาวิสติเนี่ยอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายแน่ๆฮรต้องคิดไว้อยู่เสมอหลวงพ่อคิดไว้อยู่ในใจเสมอนะแต่ถึงยังไงก็รักษาไปเหมือนกับรถนั่นแหะถึงยังไงอีกสักวันหนึ่งรถคันนี้ต้องจอดแน่ๆ ต้องอยู่ในพงหญ้าแ น, แน่แต่ขณะที่มันยังไปได้อยู่ก็เอือเอามันหมดน้ํามันหมดน้ําเออด้วยสายพานมันหลุดบมันเป็นอะไรก็ต้องรักษาันไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันยาไปเรื่อยแต่หลวงพ่ออยากจะพูดจุดหนึ่งก็คือตรงที่หมอกระรงพยาบาลหมอเขาไปารักษาลงตานะ จะเป็นคําพูดเล็กๆน้อยๆเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคในการพูดกับอุบายการพระกรรมฐานเนี่ยถ้าไปรักษาท่านเนี่ยเราว่าว่าลงตาครับยานี้เป็นยาฆ่าพระญาติครั บ, ปรบไปไปไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฆ่าพระญาติได้ยังไงใครว่าฆ่าพระพระฆ่าฆ่าพระญาติฆ่าสัตว์ ่อไปญาติหมอทั้งหลายก็ไม่รู้ใช่ไหมงงตักเหมือนกันเพราะใช้สั์ผิดใช่ไหมแต่ในพวกลูกน้องพวกเราเนี่ยเอ้ยอย่าไปใช้สั์อย่างนั้นสิอย่าไปพูดกัายาฆ่าพยาธิยาถ่ายยาถ่ายยาละ บ, บายพอแล้วอย่าไปพูดก่ายาฆ่าเข้าใจไหมไปพูดใหม่พูดใหม่คราวหน้ามาพูดใหม่นะอย่าไปพูดอย่างนี้นะ ว่าฆ่าพญาธท่านจะไปให้ฆ่านะพยาธิมันก็เป็นสัตว์ที่ไรชันนะ่ะมันเป็นสัตว์นะ่ะเราก็บอกนะต้องบอกสัตว์ใหม่แต่ในถ้าเขาไปเป็นยาระบายครับเป็นยา่ายเออมันก็ชันนี่แต่ในถ้าว่าเป็นยานี่ยาฆ่าเชื้อครับยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชือ้อฆ่าทําไมยาอย่ามานะไปออกไปแต่เด็ก็ หมอก็งงแตกอีกเหมือนกันทำไมเราก็บอกว่าเออหมอหมอหมออย่าไปพูดอย่างนั้นนะให้ไว้ยาระงับเชื้อเอออย่าไปไว้ยาฆ่านะไม่ได้คำฆ่าคำนี้มันกับพระนี่ไม่ได้นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเออเพราะนั้นจะไปคิดว่ายาฆ่าอว่ายาระงับเชื้อกับพูดกับองค์หลวงตานะเนี่ยแหละอันนี้พวก พระทั้งหลายก็ต้องได้ใช้สัพท์มาแก่พวกคณะแพทย์คณะหมอเหมือนกันนะบางทีเราจะไปใช้แบบยาฆ่าเชื้อไม่ได้ต้องว่ายาระงับอยาระงับเชื้อโรคให้มันอยู่ให้มันอยู่ในระดับระงับไว้ก่อนอย่าให้มันอย่าให้มันเหืมเกลืมเกินไปเพราะงั้นเลยให้ระงับระงับเผาเผาไว้ก่อน น, นี่แหละอันนี้ก็คือ การเข้าไปอยู่ใกล้หลงตานะที่เราจะใช้ภาษาเนี่ยต้องต้องระมัดระวังเพราะภาษาพระเนี่ยภาษาพระเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาในพระวิ น, นัยก็เหมือนกันนะภิกษุขุดเองก็ดีให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตตนะิอันเดก็คือพระวิ น, นัยแล้วแต่เราต้องการหลุมเลยทำาไงเราต้องการต้องการขุดดินให้เป็นหลุมทำ แล้วก็บอกว่าย อ, ยอมยอมยอมเด็กมานี้แล้วนี่พิจรารณานี่ให้เป็นหลุมให้เป็นเอให้เป็นหลุมมั้ยใชอแต่ไม่ให้ขุดดินนะบอกไม่ให้ขุดดินแต่ถ้ามันเป็นหลุมจะทํายังไงจึงจะเป็นหลุมได้แต่ไม่ให้ขุดดิ น, นะเราไม่ได้บอกว่าให้ขุดดินเพราะพ่ะวิดายท่านบอกว่าพิกษุขุดเองก็ดีให้ผู้อื่นขุดก็ดี ซึ่งแผ่นดินต้องปลาจิตติแต่ตอนี้เราบอกว่าอ้โยมพิจารณาโดยที่ทำให้เป็นหลุมตรงเนี้อันนี้คือพาะวินัยภิกษุภาพของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตติอันนี้ก็คืออโยมดายาบอกเออทําไมมันสะอาดนะทำให้มันเตียนนจุดเนี้ทำยังไง อันนั้นแต่สุดแท้แต่อันนี้คือพระวินัยทำไมพระวินัยจุดนี้จึงมีอย่างนี้คือสมัยก่อนสมัยครั้งพุทธกาลพวกชาวบ้านเขาน่คนทั้งโลกทั้งประเทศอินเดียเขาว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสัตว์เหมือนกับสัตว์ที่มีชีวิตเอ่อต้นไม้เนี่ยเหมือนกับมีชีวิตแต่หลักของพระพุทธศาสนานพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ต้นไมนะ้น่ยไม่มีชีวิตมันเหมือนกับเป็นวัชพืชเออมันผสมกันในธาตุของมันมันเกิดขึ้นมาแต่ไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญา ณ, ญญาณครองสิงแต่ถ้าว่าเป็นสัตว์ตัวลเล็กทึงจะเป็นพญาตก็จะจะเป็นแมลงแมลงตกกะกตงตะ ก, กะแตนเ อ, อ่ตัวไช่ตงไช่เดือนสร้างม้าวัวควายหมูมาเป็ดไก่คน อันนั้นคือมีวิญญาณทำให้กระดุกกระดิกได้นะว่ามีวิญญาณนะกานอกแต่ว่าจะเป็นต้นไม้เนะี่เป็นสิ่งที่มันะสมของธาตุสี่ท่นเองมันเกิดขึ้นมาไม่มีวิญญาณนะเพราะนั้นในพระวินยนะัยเนี่ยจะตัดก็ได้ได้ได้ไม่ผิดวินยัยไม่ผิดศีลเพราะไม่ได้ฆ่าแต่ว่าชาวบ้านเขานะเขาบอกว่า พระไปทําอย่างนั้นเป็นพระที่ไม่มีศีลไปไปตัดต้นไม้ไปไดย้ยากสัตว์ไม้มันเป็นเหมือนกับสัตว์เหมือนกับมแมลงเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์ประกาศภาษาศาสนาไปไม่ได้จุดๆหนึ่งเพราะชาวบ้านเขาต่อต้านเพราะเห็นพระไม่มีศีลเหมือนกับเขาเขาเขาไม่เคารพเลยพระพุทธองค์ก็บัญญัติวินยัย ประชุมสงเดยบรรยัติฟิในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามภาคของเถียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตินะคือผิดศีลเป็นข้อเนี่นอันนี้คือบรรยัตตามโลกสมมุติในยุคสมัยนั้นเขาว่าโลกสมมตว่าต้นไม้เ ป, เป็นเป็นสัตว์มีชีวิตนะพุทองค์ก็บรรยัตรบรรยัตตามโลกสมมตเขา เพื่อจะได้ประกาศพศาสนาจะไม่ให้มีการต่อต้านนะนีหละอันนี้คือพระศาสนาของเราเนี่บางครั้งถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วบางครั้งท่านก็แค่์แครโลกกวัต ช, ชะเหมือนกันนะโลกติเตียนท่านก็ต้องยอมรับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าโลกเขาติเตียนเราจะไปฝืนถ้าฝืนเข้ไปแล้วมันสู้กันมันสู้กันแล้วขาดความเคารพอย่างทุกวันนีหลวงพ่อเคยบอก อย่างครูบ า, ยยาอาจารย์สูบุรียันนี่เ อ, อเขาต่อต้านกาบุรีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอพระยังเป็นสุบุรีต่อในที่สาธารณะเด็กเขาเห็นเขาโอ้ทําไมพระสูบุรี่ไอ อ, อันนี่มันการเป็นการต่อต้านขาดความเคารพละ่ะขาดความศรัทธาละ่ะขาดความยำเกรงล่ะแต่ใช่มันไม่ผิดวินัยก็จริงอยู่แต่ว่าโลกเขามองอีกในมุมหนึ่ง เราก็ต้องระวังอีกเหมือนกันอย่างที่พระวินัยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าถางป่ายดา้ยาอย่างนี้นไม่พิษสินแต่ว่าโลกาวัชชะโลกเขาติเตียนเราก็ต้องระมัดระวังตามโลกของเขาเนะนี่ยแหละพอเราอยู่ในโลกต้องทำปฏิบัติให้ถูกโลกสมมติโลกสมมติเขาว่าอย่างนี้ เราก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนถ้าเราหยุดอย่างนั้นได้แล้วเราเสียหายไหมมันก็ไม่เสียหายอะไรในเมื่อไม่เสียหายเ อ, อทําให้มันถูกซะมันก็จบเท่านั้นเองถ้าไปถกเถียงกันก็มันมีที่สิ้นสุดเหมือนกันนะเอาวันนี้หลวงพ่อพูดแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังมาตอนนี้ไปรับพรในตอนะตนี้อนุโมทนาให้พร